เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้เป็นยาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากมียากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทักกรคนชอบเล่าวันนี้ในหมวดของนิทานสอนใจผมอยากจะขอยกนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งไปพบเจอมาเป็นนิทานเก่าแก่ของลีซูเรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังครับ กันละครั้งหนึ่งนำ ม, มาแล้วมีนักบวชหนุ่มอยู่2รูปนักบวชทั้งสองนี้กินข้าววันละสามมือ้อและกินเนื้อสัตว์ด้วยต่อมาอยากจะออกสแสวงบุญเพื่อบรรลุนิพพานและจะได้กลายเป็นเทพกับเขาบ้างทั้งสองจึงได้ตั้งใจอดอาหารกินแต่ขนมและผลไม้เท่านั้นตั้งใจบำเพ็ญเพียรกันไปเรื่อยๆฝึกฝนกันไปเรื่อยๆแต่เทพบนสูงสวรรค์ น, นั้นเห็นว่าทั้งสองยังไม่เหมาะสมที่จะกลายเป็นเทพจึงได้ลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อทดลองและทดสอบและก็ห้ามไม่ให้นักบวชทั้งสองรูปนี้ออกสแสวงบุญและเมื่อถึงวันเวลาที่นักบวชทั้งสองรูปนี้จะเดินทางเพื่อออกสแสวงบุญเทพเบื้องบนผู้ไม่เห็นด้วยจึงได้จําแรงกายแปลงกายเป็นชัยชารามาดักพบนักบวช2รูปนี้ระหว่างทางและเมื่อได้พบกับนักบวชทั้งสองรูปนี้ชัยชาราจึงได้ถามว่าเออท่านนักบวชท่ทานนักบวชทั้งสองท่านจะไปไหนกันหรือนักบวชทั้ง2รูปจึงตอบพร้อมเพียงกันว่า เรากำลันจะออกสแสวงบุญเพื่อเราจะได้กลายเป็นเทพชายชรา จ, จึงถามไปอีกว่าแล้วท่านทั้งสองอะ่ะจะทําได้หรือจะกลายเป็นเทพมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือได้สินักบวชทั้งสองตอบพร้อมกันเพราะว่าพวกข้าทั้งสองนั้นไม่กินข้าวไม่กินเนื้อกินแต่ขนมและผลไม้เท่านั้นเทพจําแรงจึงได้ถามอีกว่าท่านแน่ใจนะว่าจะไม่กินข้าวไม่กินเนื้อไปตลอดชีวิตของพวกท่านได้ไหมใจอย่างนั้นเชียวหรือ แน่นอนเมื่อพวกเราตั้งใจทําอะไรแล้วพวกเราทําได้แน่นอนท่านไม่ต้องห่วงหรอกนี่คือคําตอบจากนักบวชทั้งสองรูปนั้นเมื่อได้ฟังคําตอบจากสองนักบวช2รูปนี้แล้วชายชราจึงได้ขอโอกาสติดตาม2นักบวชนี้เพื่อไปสแสวงบุญด้วยกันเลยนักบวชทั้งสองก็เห็นดีด้วยที่จะมีเพื่อนร่วมสแสวงบุญจึงโอเคดังนั้นทั้ง3ามจึงได้ออกเดินทางเพื่อไปสแสวงบุญกันต่อและระหว่างทางนั้นชายชราผู้เป็นเทพจําแรงกายมาเพเริ่มจะทดสอบ นักบวชทั้งสองรูปนี้ด้วยการบอกว่าโอ้จะเป็นการรบกวนหรือเปล่าเนี่ยข้าได้อยากกินซกเล็กเหลือเกินหรือไม่กหลาบก้อยก็ได้อยากกินเนื้อดิบๆจังเลยอะ่ะแต่รบกวนทันทั้งสองไปซื้อให้หน่อยได้หรือเปล่าล่ะนักบวชทั้งสองเมื่อได้ฟังก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องซึ่งที่ตัวเองน่าจะช่วยได้เพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตนเองไม่กินแต่ก็สามารถจะซื้อให้ได้จึงตกลงใจว่าเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้กินแล้วกันนะรออยู่ที่นี่แล้วกัน จากนั้นทั้งสองจึงได้เดินทางไปที่ร้านขายเนื้อแล้วก็ไปแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะขอซื้อเนื้อเพื่อเอาไปทําลาบดิบให้กับชายชาราที่กําลังอยากกินอย่างร้ายแรงอยู่มากเจ้าของร้านเนื้อเห็นมีนักบวชมาขอซื้อเนื้อเลยถามว่าท่านทั้งสองกําลังจะเดินทางไปไหนกันหรือขอรับและบวชจึงบอกว่าพวกเราอ่ะจริงๆอ่ะออกแสวงบุญกันมาแค่2รูปแต่ก็ได้พบกับชายชาราระหว่างทางซึ่งเขาก็ขอติดตามไปด้วยเราก็ยินดีเพราะว่าการแสวงบุญนั้นเราจะไปห้ามใครก็ไม่ได้ เมื่อได้ยินดังนั้นชายเจ้าของร้านขายเนื้อซึ่งตอนนี้ตนเองก็มีทั้งครอบครัวและมีภรรยาจึงอยากออกแสวงบุญตามไปด้วยเพราะว่าเบื่อกับชีวิตการค่าสัตว์ขายเนื้อเสือเกินจึงได้ขออนุญาตว่ากระผมขอติดตามท่านทั้งสองไปด้วยจะได้ไหมครับนักบุตรทั้งสองจึงมองหน้ากันและหันมาถามว่าและครอบครัวของท่านล่ะเขาจะยินยอมไหมชายขายเนื้อจึงบอกว่าเขาต้องยินยอมแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ทรัพย์สมบัติผมก็มีให้เขาพร้อมมูลหมดแล้ว เหลือแต่ตัวผมอย่างเดียว่ที่ยังละทางโลกไม่ค่อยได้นี่ก็นับเป็นโอกาสที่ผมจะได้ออกไปแสวงบุญขอท่านรอสักครู่และแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในบ้านและไปบอกกับภรรยากับลูกของเขาว่าเขาจะออกไปแสวงบุญซึ่งภรรยากับลูกเขาก็เห็นด้วยเพราะว่าก็ไม่ค่อยอยากจะให้สามีทําลายชีวิตของผู้อื่นในการทำมาหากินมากจะหรอกตกลงว่าครอบครัวเขาอนุญาตชายขายเนื้อด้วยความดีใจจึงออกมาหาพระทั้งสองรูปและบอกว่ากระผมขอติดตามไปด้วยเลยครับ ด้วยความดีใจของเขานั้นทําให้เขาลืมแม้กระทั่งที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าและล้างไม้ล้างมือที่เปื้อนเลือดจากการชำละเนื้อเมื่อกี้นี้จึงได้เดินทางกันไปหาชายชาราอีกคนหนึ่งที่นั่งพักรอกินลาบเนื้อดิบอยู่เมื่อไปถึงที่ที่ชายชาราผู้เป็นเทพจําแปลงกายนั่งรออยู่เทพจําแปลงกายเห็นจึงถามว่าโอ้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งเหรอแต่ขอถามอีกทีนะมั่นใจกันหรือว่าพวกท่านทั้ง3มเนี่ยจะไปสแสวงบุญเพื่อไปเป็นเทพได้สําเร็จนะหนทางมันดูจะลาบากไปอีกไกลแสนไกลโชนะ ทั้งสจึงบอกว่าได้แน่นอนเพราะพวกเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออะไรง่ายๆ่ย <c oughs> นั้นก็ดูกันเถอะเทพจำแรงกล่าวแล้วจากนั้นทั้งสคุณจึงออกเดินทางกันไปเรื่อยๆเข้าป่ากันไปเรื่อยๆโดยมีจุดหมายว่าจะต้องไปถึงแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปผ่านการพิสูจน์วัดใจเพื่อจะกลายเป็นเทพให้ได้แต่ด้วยเป็นหนทางที่มันลำบากยากเข็นระหว่างที่เดินทางนั้นก็เริ่มจะมีเสียงบน จักพระทั้งสองรูปนี้ว่าคิดผิดหรือเปล่าอาการหิวอาการเหนื่อยโหยหาความสงบหรือความสุขให้กับตัวเองก็เกิดขึ้นมาอีกและก็ดูว่ายิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็เหมือนจะหลงทางไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางนั้นจะไปอีกไกลามากน้อยเพียงไรแต่แล้วช่วงเวลาระหว่างที่กําลังท้อแท้อยู่นั้นก็เกิดไปพบกับบ้านหลังหนึ่งเข้าที่กลางป่าใหญ่ทั้งสี่จึงได้รีบเดินทางเข้าไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อจะขออาหารและน้ําดื่มหรือไม่ก็ที่พัก และเมื่อได้เดินทางเข้าไปถึงที่บ้านหลังนั้นก็พบว่าบ้านหลังนั้นเป็นของหญิงม่ายลูกสาวสองคนทั้งหญิงม่ายและลูกสาวนั้นเป็นผู้หญิงที่เลอโฉมมากๆสวยเรากลับไม่ใช่ชาวป่าชาวเขาทั้งสามนางนั้นต้อนรับขับสู้อย่างดีหาน้ําหาท่าหาผลไม้โดยไม่มีเนื้อสัตว์มาเกี่ยวข้องให้พักผ่อนและนั่งดื่มกินกันหนึ่งเต็มที่ด้วยกิริยาอัน ง, งดงามและความงามอันหาไม่ได้ในป่าแถบนี้ ทำให้สองนักบวชนั้นตะลึงพึงเพิดกับภาพที่เห็นชายขายเนื้อนั้นก็ตะลึงพึงเพิดไปด้วยกันส่วนเทพจำแรงนั้นได้แต่มองแล้วอมยิ้มอยู่เล็กๆ เ, เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคนเราฝ่ามรสุมกับชีวิตหรืออะไรมานเหนื<ๆ>่อยเมื่อได้พบกับที่อสงบร่มรื่นน้ำตกไหลใสยเย็นใน้ิดใจอย่างนี้ <c oughs> ก็มักจะอยากจะพักผ่อนอยู่อย่างนั้นเทพจำแรงนั้นมองเห็นก็แลออกว่าโอกาสนี้แหละที่จะพิสูจน์ว่าสองนักบวชนี้หรือว่าชายขายเนื้อนั้น จะสามารถเป็นเท พ, พเจ้าได้จริงหรือไม่จึงได้ถามกับ3มสาวเจ้าของบ้านนั้นว่าแม่นางแม่นางผูกแม่นางเนี่ยอยู่กันตามลําพังโดยไม่มีผู้ชายมาช่วยงานเลยหรือไม่ลําบากแย่หรืองแม่นางแหมจริงๆก็อยากจะได้คนมาช่วยงานอยู่แหละแต่ไม่รู้จะมีใครมาเมตตาพวกเราสามแม่ลูกหรือเปล่าประโยคนั้น ท, ทําให้สองนักบวชถึงกับหูพึ่งส่วนชายขายเนื้อนั้นเฉยๆเทพจําแรงสังเกตเห็นได้จึงได้ถามทางจากสามแม่ลูกนั้นว่า บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะ่ะที่จะทําให้ข้ามและไปเป็นเทพได้นะ่ะมันอยู่อีกไกลหรือเปล่าล่ะโอ้ยใครๆก็ผ่านมาทั้งนี้ก็บ่นกันทั้งนั้นแหละว่าไปไปถึงไหนเห็นจะไปหลงป่าตายกันหมดแหละไม่เคยเห็นใครได้กลับมาบอกว่าตัวเองไปเกิดเป็นเทพเลยอะ่ะเนี่ยถ้าใครฉลาดก็น่าจะอยู่กับพวกเรานี่แหละสบายจะตายสองนักบวชนั้นมองหน้ากันอย่างเลือกหลั ก, ลก เอาไงดีหนอเอาไงดีหนอจะอยู่หรือจะไปก็บอกกันมาแล้วเมื่อได้พักหายเหนื่อยกันแล้วชายชาราจึงได้ชวนกันออกเดินทางต่อแต่ปรากฏว่าสองนักบวชนั้นบอกว่าจะขอจำสินอยู่ที่นี่ก่อนได้ไหมเมื่อหายจากอาการเหนื่อยก็จะรีบติดตามไปทีหลังชายชาราซึ่งเป็นเทพจำแรงรู้ได้ด้วยใจเลยว่าสงสัยจะไปไม่ถึงฝั่งซะแล้วนักบวชทั้งสองรูปนี้จึงได้พากันเดินทางไปกับชายขายเนื้อ ระหว่างทางก็ถามชายขายเนื้อว่าและเจ้าไม่สนใจเหรอยังมีแม่นางว่างอยู่อีกคนหนึ่งนะทั้งสวยสดงดงามเหมือนเทพธิดาก็ไม่ปานชายขายเนื้อได้ฟังก็บอกว่าเฮยท่านลุงท่านจะบ้าเหรอข้าทอดทิ้งภรรยากับลูกมาเนี่ยก็เพื่อจะสแสวงบุญข้าจะตัดละละเลิกหมดแล้วทุกอย่างยังไงก็ไม่มีใครมาเปลี่ยนความตั้งใจของข้าได้หรอกข้าทําบาปมาทั้งชีวิตข้าอยากจะชดใช้ให้กับเหล่าสัปสัตว์ข้าจะได้เป็นเทพ จะได้อุทิศส่วนบุญกุศลให้พวกมันไปชายชราได้ยินก็หัวเราะเออแปลกนะพวกบวชเรียนมาเนี่ยยังไม่ยากจะคิดได้เหมือนกับเจ้าเจ้าเป็นคนที่ทําบาป ม, มาเกือบจะทั้งชีวิตดันมาคิดได้กุญแจมันอยู่ตรงนี้นี่เองทั้งสองจึงได้ออกเดินทางกันไปเรื่อยเๆรๆๆื่อยแม้หุนทางจะไกลแต่ก็ไม่คือที่จะย่อท้อและชายชราก็คิดอุบายออกมาอย่างหนึ่งว่าเออเอแย่แล้วแย่แล้วพอ่อหนุ่มข้าลืมของไว้ที่บ้านหลังนั้นนะ่ะ รบกวนช่วยย้อนกลับไปเอามาให้ข้างหน่อยจะได้ไหมหนุ่มขายเนื้อจึงบอกว่าได้เลยครับท่านลุงรออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอย่าไปไหนล่ะลบๆ ห, หน่อยนะมันอันตรายกลางป่านเนี่ยเดี๋ยวข้าจะรีบไปรีบมาและหนุ่มขายเนื้อคนนั้นก็รีบจำํำอ้าวย้อยกลับมาทางเดิมมุ่งตรงสู่บ้านของสาวไม้แต่เมื่อย้อนไปถึงเขาก็ตกใจกับภาพที่เขาได้เห็นนั่นก็คือบ้านหลังนั้นได้หายไปเหลือเพียงแต่กระสอบเล็กๆ ตรงนั้นก็มีเสือสามตัวกําลังรุมกินเนื้อของนักบวชสรูปนั้นอย่างอเอร็ดอร่อยดูแลภาพสยดสยองยิ่งนักที่แท้3มคนนั้นคือเสือสมิงหรือนี่ด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งย้อนกลับไปหาชายชราที่นั่งพักอยู่กลางป่าวิ่งไปด้วยความกระหือกระหอบร้องโวกเวกโวยวาย ไ, ไปท่านท่านท่านท่นทนทนลุงท่ลุงเราหนีกันดีกว่าเสือสมิงมันกินนักบวชสรูปนั้นแล้วชายชราก็ทําเป็นตกใจเออเอ อ, เ อ, อดีเฮ้ยไปเถอะเพนเถอะอยู่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยพวกเรารีบเร็ว ทีนี้ต่างก็จุงมือกันวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆไม่รู้ทิศไม่รู้ทางจนในที่สุดก็พ้นออกจากแนวป่าแล้วมาพบกับแม่น้ําใหญ่ซึ่งแม่น้ํานี้ดูใหญ่กว้างมากแม่น้ํานี้แปลกมากมีสีเขียวไหลเชี่ยวมีกลิ่นหอมลอยออกมาจากแม่น้ําด้วยชายหนุ่มถึงกับยืนตะลึงชายชร า, าก็บอกว่าเฮ้ยนี่ละมัง้งนี่ละมั้งนี่แหละเป็นแม่น้ำํำจะใคร่คามได้แล้วก็จะกลายเป็นเทพเราลองกันเลยดีไหมชายหนุ่มที่ขายเนื้อจึงบอกว่า แต่น้ำมันดูเชี่ยวนะครับถ้าลุงถ้าลงไปเนี่ยจะจมตายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยถ้าจะเป็นเทพน่าจะกลัวอะไรล่ะเป็นเทพมันก็ต้องตายก่อนสิถ้าไม่ตายก็จะเป็นคนอยู่นะข้าว่านะไม่พูดเปล่าชายชะลาคนนั้นก็เดินลงแม่น้ําไปเลยแต่แปลกมากเมื่อชายชะลานั้นย่ำลงไปบนผืนน้าเขากลับไม่จมแล้วชายชะาคนนั้นก็เดินข้ามน้ําไปอย่างสบายชายหนุ่มขายเนื้อเห็นอย่างนั้นก็ตกใจ แล้วก็มองเห็นว่าชายชราคนนั้นมีลำแสงออกมาจากลำตัวจึงเข้าใจว่าโอ้อที่แท้ท่านเป็นเทพนี่เองท่านคือเทพเจ้าและข้าล่ะและข้าจะข้ามไปได้ไหมชายชราจึงหันมาบอกว่าเมื่อเจ้าตัดสินใจได้เด็ดเดียวไม่ละทิ้งความพยายามความสำเร็จก็จะรออยู่ตรงหน้าชายหนุ่มจึงกั้นใจคิดแล้วคิดอีกว่าอุสาทิ้งลูกทิ้งเมียมาเราจะต้องทาให้สาเร็จให้ได้ จากนั้นเขาจึงก้าวลงน้ําไปแล้วก็ปรากฏว่าขณะที่เขาลงน้ําไปนั้นลงน้ําไปได้ครึ่งตัวเขาก็คิดว่าตัวเขาจะต้องพัดลงไปแน่ๆน้ําก็พาเขาไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆจนสักพักหนึ่งล่างเขาก็ลอยขึ้นลอยขึ้นจนกลายเป็นว่าเขามายืนอยู่เหนือเป็นผืนน้ําได้ชายชรลาเห็นอย่างนั้นชายหนุ่มขายเนื้อคนนั้นด้วยความปื้มปิติแล้วก็ตกใจแล้วคนสงสัยจึงได้เดินบนผิวน้ําไปหาชายชะลาคนนั้นและชายชะลาคนนั้นก็บอกว่า เรากําลังจะข้ามฝั่งด้วยกันแล้วและเขาก็เดินข้ามฝั่งกันไปเมื่อถึงอีกฝั่งหนึ่งนั้นชายชราจึงบอกว่าเออพ่อหนุ่มข้าลืมอีกอย่างหนึง่งอ่ะข้าลืมของไว้ที่ฝั่งนั้นน่ะช่วยย้อนไปหยิบกลับมาให้ข้าหน่อยได้ไหมชายหนุ่มตอนนี้รู้สึกปื้มปิติใจที่ได้ข้ามฝั่งมาได้แต่ก็ยังอยากจะทําความดีอยู่จึงบอกว่าได้ครับลุงได้ครับลุงและเขาก็ยงพยายามเดินข้ามน้ํากลับไปที่เดิมแต่เมื่อเดินไปถึงกลางแม่น้ํานั้นเขากลับได้พบกับ สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเหม็นเน่ามากและมีหนอนชอนชัยอยู่มันดูคล้ายกับลักษณะของหนังสัตว์อะไรสักอย่างซึ่งลอยอยู่ตรงน้ํานั้นเขาจึงบอกว่าท่านลุงข้าไม่อยากจะข้ามไปแล้วแหละมันเหม็นเหลือเกินสิ่งนี้มันเป็นปฏิกูลมันน่ารังเกียจมากข้าขออนุญาตไม่ข้ามไปหยิบม่ให้ท่านได้ไหมของที่ท่านลืมอะ่ะศาเชราจึงบอกว่าฮะหะหะนั้นเจ้าจงกลับมาเถิดเจ้าจงมองดูให้ดีนั่นแหละที่เจ้าเห็นน่ะมันคือเนื้อหนังของเจ้านั่นเอง บัดนี้จากการที่เจ้าได้สละแล้วสึ่งทางโลกทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับความตั้งใจอันโดยดีมากกว่า2นักบวช2รูปนั้นซึ่งถือเป็นพวกมือถือสาบปากถือศีลปฏิบัติไม่จริงเหมือนกับผลไม้ที่ยังไม่ทันสุกก็หลุดออกจากต้นแต่เจ้านะ่สุกแล้วพร้อมแล้วบัตรนี้จะก็กลายเป็นเทพในสมใจแล้วมีร่างทิพย์มีกายทิพย์ขอเพียงบำเพ็ญเพียรต่อไปเรื่อยๆโดยไม่วกแวก ทางสู่นิพพานก็จะไม่ใช่เรื่องที่เพ้อฝันอีกต่อไปเจริญพรและนี่ก็จบแล้วครับสําหรับนิทานเรื่องอยากเป็นเทพความจริงคนเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเป็นพลเมืองเป็นคาราวาหรือว่าเป็นนักบวชทุกคนสามารถทําความดีได้หมดขอเพียงแต่มีจิตใจอันมุ่งมั่นและไม่วอกแวกต่อกิเลสที่จะมากดดันความดิบในกายเราหรือว่าอะไรที่ฝังอยู่ในกายเรา ที่ผ่านพ้นมาหลายชาติหลายภพนั้นมันสแดงเดชออกมาทางสงบก็จะไม่อยู่ไกลจากเราครับขอให้ทุกท่านได้รับความสุขจากการได้รับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ